สวัสดีครับท่านไลฟ์แล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเรารอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของการทำงานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดีขออนุญาตนะครับเออนะครับเดี๋ยวขอตามกรุ๊ปก่อนนะครับตามคนในกรุ๊ปก่อนนะครับใจเย็นๆนะฮะ มาแล้วหลายท่านนะครับมาแล้วหลายท่านนะฮะใครมาก็ทักทายกันไว้ก่อนได้นะครับสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขอส่งตามทีมงานสมาชิกที่จะดูไลฟ์ก่อนใครใครที่มาแล้วนะครับสามารถกดไปที่ Facebook ของผมนะครับหน้าหน้า Facebook ของนี่เลยนะฮะพักเดชนะครับอัศราชัยพัฒนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีก็จะมีลิงก์ไลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับคุณสามารถกดเข้าไปดูได้เลย โอเคนะฮะมาเริ่มกันนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับยมาแล้วก็ทักทายกันไว้ได้นะฮะวันนี้ไลฟ์กัางวันนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการสอนงานนะฮะแต่เป็นเรื่องของการใช้งานเลยนะครับขออนุญาตรับสมาชิกก่อนนะครับที่มีการแอดเข้ามานะครับโอเคสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้มีหลายหลายคนแล้วที่เข้ามานะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดตรนี้ไว้ก่อน ก็วันนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะฮะอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเราก็จะใช้งานจาก2องเบราว์เซอร์นะครับคือ2ตัวนี้นะครับนี่นะฮะโคลมกับฟลายฟ็อนะครับ2ตัวนี้นะครับที่ผมลากมาให้ดูเนี่ยนะฮะอันแรกเลยคือกูเกิลโคลมนะครับกูเกิลโคลมหน้าตานะครับเป็นแบบนี้นะฮะกูเกิลโคลมนะครับ นะครับเบลเซอร์นี้จะมีความเร็วนะครับที่จะค่อนข้างสูงนะครับในการใช้งานนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ Firefox นะครับสำหรับ Firefox ผมไม่ค่อยเป็นแฟน Firefox เท่าไหร่นะครับผมจะไม่ค่อยใช้ Firefox ผมผมจะใช้โครมนะครับเป็นเป็นหลักในการทํางานนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกดอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรารอสมาชิกสักครู่หนึ่งที่กําลังทยอยเข้ามาดูนะครับเพื่อนที่จะได้ไฟพร้อมๆกันนะครับเอ่อใครมีทีมงานนะครับที่กําลังอยาก อะไรนะเขาอยากรู้วิธีการใช้งานผมแนะนําเลยว่าต้องมาดูคลิปไลฟ์มี้ของผมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับในการทำงานท่านนะครับโอเคนะครับตามกันมาหรือยังฮะก็นะฮะจะเอาตั้งแต่เริ่มใช้เพจค q เลยนะครับจะเอาตั้งแต่เริ่มใช้งานเพจค q วเลยนะครับซึ่งนะฮะถ้าใครดูแล้วก็เข้าใจนะครับผมเชื่อว่านะฮะตรงนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ท่านจะทํางานง่ายมากนะครับ เบลเซอร์2ตัวนะครับสองตัวนี้เท่านั้นนะครับที่ผมแนะนําให้ใช้งานนะครับโฟมและไฟฟอกนะฮะเริ่มเลยไหมครับถ้าเริ่มเลยกดหนึ่งะครับถ้าเริ่มเลยกดหนึ่งนะครับ การใช้งานนะครับผมแนะนํานะครับตัวเบราว์เซอร์2ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือ Chrome และ Firefox นะครับถ้าทุกท่านนะฮะเปิดเข้าไปใน Google Chrome นะครับทุกท่านก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับทีนี้ผมอาจจะย่อหน้าเดี๋ยนะผมจะย่อหน้าให้ดูนิดนึงนะครับว่าเราสามารถทําเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับท่านสามารถใช้นะครับ Google Chrome นะครับใช้ใช้เพจที่นี้ได้จากทั้งสมาร์ทโฟนนะครับทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับ แล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของท่านนะครับหรือเครื่อง PC ก็ได้หรือแท็บเล็ตก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ฮะในส่วนของการเข้าใช้งานนะครับให้ทุกท่านกรุณานี้นะครับ w w w p ์วายเเห็นไหมฮะเร์บนะครับ p พ e. นะครับซูมไปดูนะครับตัวหนึ่งนะฮอันนี้ไม่ได้เพราะอันนี้ซูมข้างล่างนะครับ qq.com นะครับเห็นไหมฮะ ww อร์ไวด์เ qq.com ตรงนี้นะครับจากนั้นกดเอนเตอร์นะครับนี่คือนะครับหน้าหน้าโฮมของทุท่านนะครับนี่คือหน้าโฮมของทุกท่านนะครับทีนี้นะฮะถ้าในคอมพิวเตอร์ถ้าในคอมพิวเตอร์คุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีนะครับในส่วนของไอคอนนะครับตั้งแต่โฮมนะครับโฮมนะฮะคอนเทนต์รีจิสเตอร์ดัตบอร์ดนะครับเดี๋ยวนะผมใส่เอาไว้ก่อนใสยเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ในส่วนของโฮมนะครับถ้าเราเปิดจากคอมนะครับมันจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าคุณเปิดในมือถือนะฮะเห็นไหมว่ามันจะมีเขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมจะลองทำในที่เป็นเหมือนคล้ายๆมือถือแล้วกันนะครับทุท่านจะได้แบบคือบางคนทำในมือถือเนอะจะได้เข้าใจนะครับท่านกดที่แฮมเบอร์เกอร์ฮะท่านจะล็อกอินนะครับด้วยดัชบอร์ดนะครับด้วยไดคอนดัชบอร์ดนะครับ ท่านสามารถเข้ากดไที่ดัชบอร์ดจากนั้นนะฮะให้ล็อกอินยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของท่านนะครับยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของท่านนะครับเออนะครับใส่ให้ครบนะครับจากนั้นก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าดัชบอร์ดของท่านได้เลยนะครับเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวเองนะครับกด Go to Dashboard นะครับ นี่คือโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของท่านนะครับรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อนะฮะท่านสามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้นะครับมาดูกันในส่วนโปรไฟล์ก่อนนะครับส่วนที่แก้ไขได้นะครับก็จะมีเนี่ยนะฮะนะฮะก็จะมีตรงส่วนนี้นะครับนี่ครับ ในส่วนของชื่อนะครับชื่อนะครับรหัสบัตรประชาชนเพศไม่สามารถแก้ได้นะครับสิ่งที่ท่านสามารถแก้ได้นะครับก็คือในส่วนของอัเดทนะครับหรือที่อยู่ของท่านนะครับที่อยู่ท่านท่านสามารถแก้ได้เบอร์โทรศัพท์แก้ไขได้นะครับอีเมลนะฮะแก้ไขได้นะครับประเทศแก้ไขไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวกําหนดรหัสนะครับในส่วนของบุ๊คแบงก์นะครับการรับเงินนะครับท่านสามารถแก้ได้นะครับท่านสามารถแก้ไขได้เลยนะฮะว่าจะเปลี่ยนบัญชีธนาคารเป็นไรแต่เงื่อนไขคือห้ามนะครับ ในส่วนของการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนไม่ได้จากนั้นถ้าท่านแก้ไขเสร็จแล้วให้กดอัปเดตตรงนี้นะครับถ้าเผื่อว่ามันมีอะไรผิดพลาดต้องอยู่ในตรนี้นะครับถ้าชื่อนะครับชื่อแล้วก็ในส่วนของชื่อนะครับประชาชนหรือว่าอะไรเนี่ยถ้ามีความผิดพลาดเนี่ยให้ส่ง PHQ แก้ไขกับผู้นําของท่านนะครับส่งกับผู้ที่แนะนําท่านมาก็ได้นะครับเพื่อให้ส่งแก้ไขไปยังโปรแกรมเมอร์นะครับอันนี้ป้องกันเป็นความปลอดภัยนะครับในการที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับอทีนี้มาดูกันนิดหนึ่งนะครับ ท่านสามารถใส่รูปโปรไฟล์ได้นะครับใส่รูปโปรไฟล์ได้นะฮะใส่รูปโปรไฟล์นะครับให้เปลี่ยนไอคอนตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะจะมีไอคอนที่อยู่ข้างๆคําว่า my profile นะครับเห็นไหมครับนี่ฮะจะเป็นรูปคล้ายๆกับใส่รูปนะครับอ่าเรากดเข้าไปจากนั้นเราก็สามารถเลือกรูปได้นะครับจากในคอมของท่านนะครับเช่นอ่ะเดี๋ยวนะผมอาจจะขออนุญาตนะครับเลือกรูปภาพของวิวนะครับก็าใส่นะจากนั้นไม่รู้เจอไหมนะครับจำได้ไหมครับ จะใส่รูปนี้แล้วกัน ok. นะครับไฮะฮะผมจะใส่รูปนี้นะครับน bon ี่คือรูปของวิวนะครับก็กดนครับจากนั้นก็กดอัปโหลดนะครับอูนะฮะเรอแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นถ้ารูปภาพมันก็จะมานะครับคือผมใส่รูปเดิมคุณอาจจะไม่เห็นว่ามเปลี่ยนแปลงคือผมใส่รูปเดิมนะครับมันก็เลยเป็นรูปนี้นะฮะนี่ฮะเป็นการอัปโหลดรูปภาพง่ายๆแค่นั้นเองนะครับทีนี้ฮะนี่คือในเรื่องของ ลิงก์สมัครนะครับลิงก์สมัครนะฮะเห็นไหมฮะลิงก์สมัครจะอยู่ใต้จะอยู่ที่ r e f e r e n ์ลิงก์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคุณทําในมือถือนะฮะคุณก็จะเห็นว่ามันมี r e f e r e n ์ลิงก์ด้วยนะครับทีนี้ครับคุณสามารถก๊อปปี้ลิงก์ได้จากทั้งในมือถือนะครับจากวิธีการทางนี้ก็ได้คุณจะคลอบแบบนี้นะครับแล้วก็ Copy ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะกดตรงนี้เลยก็ได้นะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะก๊อปนะครับ มันก็จะมีมันก็จะมีตัวที่ขึ้นว่า Co อปปขึ้นมาข้างบนนะครับเห็นไหมครับให้คุณถ้าคุณทําในมือถือคุณสามารถทัชตรงนี้ได้เลยมันจะคัดลอกไปยัางทีปปอร์ดของคุณนะครับจากนั้นทํายังไงครับถ้าสมมติว่าเราจะมีเพื่อนที่สมัครอ่าสมมุติว่าเราคุยกับเพื่อนไว้สักคนนึงนะครับขออนุญาตนะครับสมมติว่าคุณคุณคุณคุยกับเพื่อนไว้แล้วนะฮะเพื่อนคุณกำลังจะสมัครแล้วนะครับคุณก็แค่ส่งนะครับในเรื่องของลิงก์ตรงเนี้มาให้เขานะครับถูกไหม ลายผมค้างนะครับสักครู่หนึ่งนะครับมาแล้วนะครับนับหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อเขากดที่ลิงก์นะครับเขาก็จะสมัครได้นะครับเป็นส่วนของการใช้งานนะครับนี่คือตัวออโต้ลิงก์ของเรานะครับเดี๋ยวรอออลายผมนับหนึ่งนะครับพอดีมันค้างอยู่ที่หน้าจอนะครับอ่ะเอาเป็นม่าอย่างนี้ครับในส่วนของนะฮะการใช้งาน ครับตรงนี้คือเรฟเวอร l เรนต์ลิของคุณนะครับในการที่จะให้ผู้อื่นสมัครนะฮะคุณสามารถเช็คนะครับผู้สปอนเซอร์ของคุณว่าเขาเป็นใครได้นะครับอย่างของบิลนะฮะบิลก็คือมีผู้สปอนเซอร์เป็นผมนะครับมีเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยนะครับเวลาคุณจะถามอะไรนะครับคุณสามารถไปถามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวินีโงนะฮะเห็นไหมฮะว่าเมื่อกี้นี้นะครับเข้ายากเลื่อนหูปตกปลาก่อนนะครับ คุณเห็นไหมครัว่านะครับตรงตรง r e f e r e n ์เรนต์ครับเมื่อส่งมาแล้วเนี่ยพอเวลาที่ผู้สมัครไปกดนะครับเขาก็สามารถกดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้นะครับเดี๋ยวแม้ว่าจะมีในเรื่องของการยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับผมอยากให้คุณดูนิดนึงนะครับในเรื่องของระบียบกดระเบียบการใช้งานนะครับเห็นไหมครัว่าข้อหนึ่งนะครับต่างๆจะมีบอกหมดเลยนะครับคุณสามารถคลิกดาวน์โหลดเนื้อหานะครับที่อยู่ในส่วนของพรบคอมได้ตรงนี้นะครับ ไม่แช่ว่าจะมีกดต่างๆคุณสามารถกดยอมรับเงื่อนไขแล้วคุณก็กรอกได้เลยนะครับ First name คือชื่อจริงนะครับ Last name คือนามสกุล ID card คือบัตรประชาชนนะครับหรือว่าเลขที่พาสปอร์ตก็ได้นะครับ Sex นะฮะนะครับก็คือ male กับ female male คือผู้ชาย female คือผู้หญิงนะครับกรอก address ให้ถูกนะครับอ่าอีเมลเน้นย้ำเลยอีเมลผมเห็นบางคนฮะพอให้ใส่อีเมลก็ใส่แต่อย่างเงี้ยสมมตินะฮะผมใส่แบบเนี้ยนี่คืออีเมลเนี่ยบางคนใส่มาแค่เนี้ย มันขึ้นกรอบสีแดงคุณเห็นกรอบสีแดงกรอบสีแดงนะครับไม่ได้นะฮะคุณจะต้องใส่นะครับแอดอะไรให้ครบนะครับคุณอาจจะยังไม่มีเมลนะครับคุณก็ใส่ไปก่อนก็ได้แบบนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วคุณค่อยไปสมัครแต่ดีที่สุดคือให้คุณไปสมัครอีเมลมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาสมัครตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของการโอกัสพัฒเบิร์ในอนาคตนะครับทีนี้ฮะประเทศ รประเทศเลือกให้ถูกด้วยนะครับการเลือกประเทศจะมีผลต่อรหัสนำหน้าชื่อของคุณนะครับเช่น t h a i l a ด์นะครับพอคุณสมัครมาแล้วรหัสคุณจะเป็น T H Q นะครับแคนเบเดียคือกัมพูชานะครับรหัสของคุณจะกลายเป็น K H Q นะรหรือแม้กระทั่งลาวรหัสของคุณจะกลายเป็น L A Q นะครับมาเลเซียจะเป็น M MM M Q นะครับ ทีนี้ก็อ่อ M A Q อะผมพูดผิดฮะเอียน์มาจะเป็น M M Q นะครับสิงคโปร์นะครับจะเป็น S P Q นะครับแบบนี้นะครับคือมันมีผลนะครับมันมีผลนะฮะให้ให้คุณเลือกด้วยนะครับ Bank name นะครับเห็นไหมฮะว่าชื่อนะครับจะต้องตรงกันนะครับชื่อจะต้องตรงกันเห็นก่อนที่คุณจะกรอกผมอยากให้คุณมาเช็คตรงนี้นิดนึง ว่ารหัสสปอนเซอร์เนี่ยสปอนเซอร์ ID เนี่ยมันขึ้นติ๊กสีเขียวแบบนี้ไหมนะครับแล้วก็อัพไลน์ไอเนี่ยมันขึ้นติ๊กสีเขียวนี่ไหนะครับกรอกให้ครบทุกช่องนะครับจากนั้นกดไซอัพครั้งเดียวนะครับเมื่อคุณ ก, กดไซอัพได้แล้วนะครับคุณก็จะได้ User อร์กับ password ไม่ต้องไปกดย้ํำหลายรอบนะไม่ต้องไปกดย้ำหลายรอบนะครับกดรอบเดียวพอนะครับฝากบอกทีมงานด้วยนะครับว่ากดเพียงแค่รอบเดียวให้ได้รหัสเพียงแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับโอเค นี่คือส่วนของไอตัว reference l i n k นะครับเวลาเราใช้งานนะครับโอเคนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของ marketing นิดหนึ่งนะครับในส่วนของ marketing นะครับ marketing เนี่ยนะครับเป็นในเรื่องของการดูนะครับทีมงานของเรานะครับว่านะครับมีการมีการอัปเดตหรือย่างนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตแป๊บนึ่งรู้สึกว่าเมี้จะมีการคำมวลผลนะครับอยากจะให้ดูนะครับว่ามันคำนวลผลไปแล้วหรือย่างสักครู่หนึ่งนะครับ ทำพรได้ยังคะโอเคนะครับทีนี้ฮะคุณเห็นไหมฮะว่า Marketing เนี่ยนะครับมาร์เก็ตตเนี่ยจะมีไอคอนอยู่2ไอคอนคือทีมนะครับแล้วก็สำนักบิ r บรีนะครับทีมเนี่ยคือรายชื่อของผู้ที่เราแนะนําตรงติดตัวเท่านั้นนะครับเมื่อเราสมัครไปแล้วมันจะใช้เวลาสักนับนึงนะครับในการยึ่นขึ้นมาอยู่ในผังทีมนะครับมาดูกันนะครับเห็นไหมฮะว่าไหครับ ถ้าใครที่ไม่ได้ใส่รูปแล้วมันจะไม่มีรูปประจําตัวนะครับเพราเชิญเนี่ยใส่ใส่รูปด้วยนะครับใส่รูปประจําตัวได้รู้ว่าใครนะครับจะมีบอกนะฮะว่ารหัสอะไรชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรนะครับสถานะ Active หรือจ่ายเงินหรือยังนะครับเห็นไหมฮะจะมีบอกหมดเลยนะครับอยา่างคนนี้นะครับรหัสนี้ยังไม่แอคทีฟนะครับแต่ว่าเห็นไหมฮะว่าเขาสมัครมา2รหัสนะครับตอนช่วงแรกเห็นไหมฮะก็คือเขาจ่ายเงินแล้วนะครับเขาจ่ายเงินแล้วนะครับนี่ฮะจะมีบอกหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะโออันนี้ผ่านนะฮะผ่าน อ่ะคุณมาดูก่อนนะครับนี่คือนี่คือจํานวนของผู้ผู้เข้าใช้งานนะครับที่แบบว่าสมัครมาแล้วนะครับแล้วก็มีใครบ้างนะฮีฮะโคจุ่นะครับอยู่กับบิวนะครับอ่ะนะฮะนี่คือผู้ที่เรานะครับมีนะครับในจํานวนสมาชิกแนะนําตรงนะครับอย่างของบิวก็นี่ฮะมีประมาณ136รายการนะครับแต่ว่าแอคทีฟจริงก็อยู่ที่ประมาณ1 3อยรายการนะครับทีนี้ฮะ ถ้าคุณอยากจะย้อนกลับไปนะครับเราก็กดนะครับ back กลนะครับหรือกด exit ก็ได้นะฮะอ่างนี้ก่อนนะฮะสมมุติว่าคุณเลื่อนลงมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณทําในคอมพิวเตอร์นะครับคุณกดที่โหมมันจะเด้งขึ้นมาขบนเลยนะครับเห็นไหมกด exit นะครับอ่ะมาดูกันนิดนึงนะครับทีนี้เมื่อทีมนะครับดูไปแล้ว เรามาดูคําว่าแบตเตอรี่บ้างนะครับแบตเตอรี่ก็คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างเพลย์เว็บนะครับหรือโครงสร้างถังสายงานนั่นแหละนะครับอันเดียวกันนะครับตรงนี้จะใช้เวลาประมวลผลนะครับณปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าน่าจะอยู่จากที่ถามคุณอมจะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับในการประมวลผลนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็น24ชั่วโมงอยู่นะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับในโครงสร้างแบตเตอรี่เนี่ยนะครับอย่างที่คุณกดเข้ามาเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันโชว์อย่างแค่ ตัวเล่านะครับนี่คือตัวเรานะฮะทีมงานเรานะครับแต่ถ้าคุณเปิดนะครับเปิดมาดูก่อนนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือโครงสร้างพยานที่อยคุณสีน้ําเงินนะครับคือจ่ายเงินแล้วนะครับสีส้มคือยังไม่จ่ายเงินะฮะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าข้างล่างคุณมีใครอีกไหมนะครับคุณให้กดให้ให้คุณกดที่เลขนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีเลขอยู่นะฮะเลขของรหัสกดลงไปปุ๊บนะครับมันจะโชว์นะฮะเห็นไหมฮะมาแล้วนะครับ ไล่ลงไปเรื่อยๆได้ครับว่าในสายงานนะครับอยากเราอยากจะดูสายงานของไทยมีแล้วกี่คนนะครับสามารถไล่ลงไปดูได้อัพลุ้ดจบเสร็จแล้วคุณก็นะครับแบ็กกลับนะฮะคุณก็มาดูว่าสายงานไหนมีคนต่อแล้วบ้างนะครับแบบนี้นะฮะไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะสีส้มก็คือยังไม่จ่ายเงินนะครับสีส้มยังไม่จ่ายเงินนะครับยังไม่อพลุ้รหัสตัวเองนั่นเองนะครับหรือกรณีอีกอันหนึงก็คือสมัครรหัสซ้ํานะครับเดี๋ยวโครงสร้างมันจะตัดออกไปเองนะครับ เห็นไหมฮะว่าบางทีเนี่ยเราเราบางครั้งเราก็แบบเอ้ยทำไมเราดูคนข้างล่างเราไม่ได้เลยนะครับจริงจมันดูได้นะครับคุณก็กดลงไปเรื่อยๆนะครับกดลงไปเรื <Northwest Southwest. S 1> ่อยๆนะมันจะมีบอกหมดเลยนะครับอ่าโอเคนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันกดไล่ลงไปได้กี่ชั้นก็ได้นะครับคุณก็สามารถไล่ดูได้นะครับว่ามันแบบมีตรงไหนบ้างนะครับมียังเว้ายังแหวงอยู่ตรงไหนที่แบบสายงานใครที่ยังไม่จ่ายเงินนะถ้ากดออกก็คือกด Ex ็กนะครับโอเค นีกลับมานิดนึงฮะในส่วนของนะครับอ่าเมื่อกี้เราดูมาร์เก็ตติ้งไปแล้วเี่มฮะคราวนี้เรามาดูควาว่าฟ i n นเชียลบ้างนะครับฟรานเชียลเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนะครับการเงินนะครับการเงินนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับคุณจะใช้คุณจะมีอยู่3มโมดูลนะฮะไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าโมดูลนะครับ มูลแต่ละตัวเนี่ยนะครับทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับสลิปแอตแท็กเมนคือเมื่อคุณสมัครเข้ามาคุณต้องการซื้อพื้นที่นะครับใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นซื้อพื้นที่ครั้งแรกนะครับอย่างของบิลเนี่ยนะครับก็คือว่าแ p ปพูดไปแล้วนะครับก็ไม่มีการให้แนบอีกนะครับกด exit ออกไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้แนบนะครับก็คือทําตามนี้เลยนะครับทําตามขั้นตอนนะฮะผู้ที่แนะนํำคุณเขาจะบอกขั้นตอนในการโอนเงินแนบสลิปให้นะครับถ้ามาดูที่หนึ่งในช่อง w i t h d r a w นะครับ w i t h d r a w คือการกดเงินนะครับบเดี๋ยวรอนนึงะ บาวิธีขึ้นมาแล้ววิดรอคือช่องกดเขื่อนนะครับ children, นะยัง ผมต้องบอกอีกคับว่ามันไม่ได้ประมวลผล2วันนะครับคุณสามารถกดวิดรอได้นะครับกดวิดรอดูได้นะครับดูนะฮะอย่างอันนี้นะครับมี97คิวนะครับคุณสามารถแก้ไขตัวเลขได้นะครับเช่นผมอยากจะถอน50คิวนะฮะผมจะถอน50คิวนะฮะอน50คิวนะครับ50ิเนี่ยนะครับจะ pay to your sponsor นะครับ 10% นะครับ pay to your sponsor 10% ก็คือเห็นไหมฮะ50 10% ก็คือ5คิววันนี้วิ่งไปที่พูด sponsor นะครับ center 2% นะครับ 0.9q นะครับแสดงว่าผมสามารถขอน net withdrawal ได้จริงๆก็คือ 44.10q นะครับแปลเป็นเงินประมาณนี้ฮะ 2,000 กว่าบาทเห็นไหมครับถ้าคุณกดเซนนะครับนั่นหมายถึงว่าดูนะครับคุณกดเซนแล้วเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าเพิ่งเทรด48ชั่วโมงนะครับ for processing นะครับนะฮะ หรือว่า น, นี่ฮนะประมาณไม่เกิน2วันนะครับเงินจะเข้าบัญชีนะครับทุกคนสังเกตด้วยบางครั้งเนี่ยคุณก็ชอบมาถามว่าเงินจะเข้าบัญชีในกี่ชั่วโมงนะฮะนี่นฮะคำตอบนะครับมันมีคำตอบให้อยู่แล้วก่อนที่คุณจะกดโอเคนะครับพอกดโอเคุคุณจะเห็นว่ามันขึ้นเ u วนซิ่งนะครับ อยู่ประมาณนี้ฮะทับเห็นไหมฮะสเต็ปหนนะครับ1ทับคือดำเนินการนะครับ2ทับคือเซ็นเตอร์ตัดคิวของคุณออกจากกล่องแล้วนะครับสทับคือเงินเข้าบาชีของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฮะถ้าคุณอยากจะยกเลิกนะครับก็กดยกเลิกนะครับกดที่กากบาทเห็นฮะขาก็จะขึ้นวิดรอมาให้ม่นะครับโอเคโมดูลนี้ผมผ่านนะครับไม่ยากนะฮะอ่ะ มาดูกันนะครับทีนี้คุณอยากรู้ว่าเงินเข้าเงินออกมาจากไหนบ้างนะครับให้คุณดูที่นะครับสเต็ปเมนต์เห็นไหมฮะรูปกระปุกหมูแฮรรูปกระปุกหมูครับขอย่ากินน้ำแป๊บเนึ่นะครั บ, ออนน บ, บ, นรบในกระปุกหมูเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อคุณกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหฮะตรงเนี้ยนะฮะมันจะยังไม่มีรายการอะไรนะครับคุณต้องเลือกเดือนก่อนว่าคุณคุณอยากจะรู้สเต็ปเมนต์ของเดือนอะไรอ่าเช่น ผมอยากจะรู้สเตเเมนต์ของเดือนสเปดนี่แหละนะครับ 26, อสองพหเรื่องสเปรดผมก็แค่กดรีพอร์ตตรงนี้นะครับดูนะฮะผมจะขออนาตนะฮในรีพอร์ตเนี่ยนะครับโอเคนะครับในรีพอร์ตคุณจะเห็นนะครับว่านะครับคุณได้เงินจากอะไรบ้างนะครับดูนะฮะนะฮะจะมีบอกหมดเลยฮนะ ว่า cards, คุณได้เงินจากอะไรบ้างนะครับ <Toy> ม <conversation allegations> ันเปนธนครับเป็นนกนคมีสูมเยอะไปน่อยเห็นแหมว่านะครับมันจะมีทั้งในส่วนของค่าต่างๆเช่น management form นะครับแสดงว่ารหัสนี้นะฮะมีการถอนเงินนะครับเราได้ 10% นจากการถอนของเขานะครับหรือว่านะฮะเราได้ 1% จากใครบ้างนะครับมันจะมีบอกเลยะเห็นมฮะมีตัว verify นะครับได้มาจากใครบ้างนะฮะจะมีบอกกันเลยนะครับ เลย์เวลที่เท่าไหร่ก็จะบอกด้วยน ะ, mm hmm. นะฮะเห็นไหมคะเนะครับเลเวล11เนะครับเลเวล18ก็มีนะฮะ mm hmm. ดูนะฮะเห็นไหมฮะจะมีบอกหมดเลยนะครับแล้วทีนี้ครับก่อนที่เงินจะไปเข้าในกล่องคิวของคุณเนี่ยคุณ ด, ดูนะ mm hmm. มันจะมีการแท็กในเรื่องของภาษีเนี่ย ก่อนเสมอตรงนี้เป็นภาษีหน้าที่จ่ายเช่นนะครับผมยกตัวอย่างคุณแนะนำเพื่อนคุณได้สิบคนนะครับคุณแนะนำเพื่อนคนได้คุณแนะนเพื่อนคนได้1่คนและกันเอา1นคนลอก น, นะครับ1คนนี้นะครับแสดงว่าคุณจะได้สิทธิ์คิวมันจ่ายสิทธิ์คิวเลยนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตแปบบ น, นะคือสิทธิ์คิว 10Q เนี่ยนะครับเาจะมีการ tax ภาษีตรงนี้ด้วย 5% ของ 10Q นะคุณอาจจะเห็นว่าในกล่อง Q ของคุณทไมมันไม่เต็ม10นี่คือเขาจ่ายภาษีนะที่จ่ายก่อนนะฮะคือหักที่จ่ายไปแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปในกล่อง Q คุณนะครับเพราะฉะนั้นนะตรงนี้จะเป็นบอกหมดเลยะว่าเงินคุณเข้าเท่าไหร่จะมีอินบอกนะครับเลเวลที่เท่าไหร่นะครับคุณได้เงินเท่าไหร่อัปเดตเท่าไหร่นะครับเห็นฮะเลเวล19ก็มีแล้วนะครับดูนะนี่ครับมันจะมีบอกหมดนะครับ Manage from b i d d r เห็นครับตรงนี้คือ 10% นะครับเวลาคุณกดเงินเนี่ยคุณจะมี 10% นะครับที่วิ่งเข้ามาในกล่องคุณด้วยนะครับแสดงว่าถ้าทิดงานเรากดเงินนะครับเราก็จะได้จากทุกคนเลยนะครับงกฟังเวลาถอนถอนเงินนะครับที่เป็นลูกตรงนะลูกตรงเท่านั้นนะครับแต่ลายคอที่3นะครับที่คุณไปศึกษาด้วยนะฮะเห็นไหมคระว่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นรายได้ที่มากว่ามาตลอดมาตลอด 10% นะครับของเลเวลเท่าไหร่บ้างนะครับผมอยากจะดูเอ่ะผมหาเอ่นะบหนึ่ เยอะมากผมบอกเลยว่ารายการเดิมบัญชีนะครับของของทอมและต้องเยอะเยอะมากนะฮะแบบนึ่งนะ ค, คือมันมีแบบมาร์กวันนะวันแล้วแบบหลายร้อยหลา ย, ลายพันรายการนะฮะเวลาเข้ามาแต่ละทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนมีแต่อินนะครับไม่มีเอาเลยนะครับตัวห น, หวนงึงนะครับเอาอยู่ไหนวะเนี่ยครับคือเยอะจริงๆนะฮะัมไม่มีเอาเลย การพวกนี้นะครับคุณจะเห็นเลยว่าเงินเข้าแบบคือถ้าคุณถ้าคุณสร้างธีนงานนะครับคุณจะเงินเข้าแบบมหาศาลมา้อ่ะมาดูรายการเอาไก่อนเห็นไหมฮะ withdraw นะครับ form Q box นะครับของรหัสนี้นะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะคุณเงินออกเท่าไหร่นะครับ คุณเงินออกเท่าไหร่นะครับอัปเดตเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาก็จะเริ่มนับตั้งต้นใหม่แก่ศูนย์ะครับไล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกหมดนะครับว่าได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับจนมาถิงปัจจุบันนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือสเตทเมนต์นะครับของคุณนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับคงเข้าใจในขวดนี้ครับลองใช้งานดูนะครับไม่ยากนะฮะอ่ะเนะเรากลับมาที่การทํางานเดิมโอเค นี่ฮะในส่วนของเฟ a นชเชลนะครับโมดูลที่โมดูลเท่านี้นะครับใช้งานไม่ยากเลยอ่ะมาดูในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์กันบ้างนะครับมาเรื่อมาเริ่มกันสร้างคอนเทนต์กันบ้างอย่างวันนี้นะครับผมจะสร้างคอนเทนต์นะครับที่เกี่ยวกับเอ่อในส่วนของเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูด้วยในเรื่องของการเอาคอนเทนต์ของเรานะฮะไปไปยังไปยังที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะฮะแบบเบื้องต้นนะครับแบบไม่ยากนะฮะโอเคนะครับ ทีนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวนะผมอนุญาตนะครับเราแป๊บหนึงนะ okay, ฮะโอเคฮะการใช้งานนะครับทุกท่านฮะทุกท่านจะมีโมดูลที่ชื่อว่าเพจเห็นไหมฮะเพจเดี๋ยวผมเข้าไปที่ของผมดีกว่าผมหนึนะครับ ทุกท่านเห็นไหมฮะว่านะครับเราจะมีเพจนะครับเอาไว้สร้างคอนเทนต์นะครับมาดูกันนะครับในเพจนี้เมื่อคุณกดเข้ามานะครับคุณจะเห็นเลยว่านะครับเห็นไหมคุณจะเห็นเลยว่าคุณก็จะมีคอนเทนต์ของคุณนะครับไลน์ตั้งแต่คอนเทนต์ที่คุณสร้างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะถ้าคุณยังไม่ได้สร้างนะครับถ้าคุณยังไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะครับเราสามารถสร้างคอนเทนต์ได้จากนี่ฮะกุ่มนี้เลยนะครับปุ่ม Create นะฮะเห็นมฮะกลุ่ม Create นะครับ คุณสามารถกดเข้าไปกลุม่มกลุ่มคิดจากนั้นฮนะคุณสามารถสร้างเนื้อเรื่องต่างๆของคุณได้นะครับว่าจะสร้างอะไรนะเช่นนะครับไททอลนะครับไททอลนี้ก็คือหวัวเรื่องนะครับผมอยากจะสร้างหัวข้อขอะไรเช่นผมอยากสร้างหัวข้อเกี่ยวกับอ่าพอดีผมเตรียมเรื่องที่จะมาสาธิตให้แล้วนะครับเดี๋ยวนะฮะสัตว์เลี้ยงอ่าสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของผมนะครับ เลี้ยงที่น่ารักของผมนะครับผมต้องการเจาะกลุ่มของคนที่แบบชอบเลี้ยงสัตว์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูกันว่ามันจะเป็นสัตว์อะไรนะครับอ่าสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของผมนะครับอ่าจากนั้นเนี่ยนะครับในในเนื้อหาเนี่ยคุณจะคุณจะยังไม่เห็นว่าแล้วอันนี้ยมันจะให้ใส่รูปนะครับผมแนะนําว่าให้คุณอ่าสร้างหัวข้อตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นกดคอนเฟิร์มได้เลยนะเห็นไหมจะมีคอนเฟิร์มอยู่บนนะครับกดคอนเฟิร์มทุกคนครับโอเคนะมาดูกันตั้นึ่งนะฮ เดี๋ยวนะครับบางครักครู้หนึ่งนะครับขอใหม่นะฮะสับสเลี้ยงคือคือถ้ามันค้างแบบเมื่อแย้คุณไม่ต้องไปรอมันนะฮะคุณกดแบ็กได้เลยนะฮะแล้วก็ทำใหม่นะครับสแสดงว่ามันอาจจะมีโหนดมันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเม็ดเบิร์นะฮะ ได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับระบบมันจะรีเฟซหน้าแป๊บนึงนะครับแล้วเขาก็จะนี่ฮะเด้งมันที่หน้านี้ทําเด้งมันที่หน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าสามารถใส่รูปได้นะครับสามารถใส่รูปได้แบบนี้ผมสร้างหัวข้อเสร็จแล้วนะครับผมสร้างหัวข้อเสร็จแล้วนะครับผมสร้างหัวข้อเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็นะครับเข้ามาที่หน้าที่จะใส่รูปแล้วนะครับผงนี้แอ จะมีค <idée> <ifi work> ํา <improvis> ว่าแกลลอรี่นะครับแล้วก็มีนะครับในเรื่องของการคัดลอกลิงจากยูทูบนะครับสมมติว่านะครับผมจะสร้างนะครับใส่รูปภาพเนี่ยผมก็จะไปกดที่แกลลอรี่นะครับแล้วก็กดทั้โหลดนะฮะเลือกไฟล์นะครับเวลาผมเลือกไฟล์อ่ะผมก็จะไปเมื่อกี้ผมสร้างเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมฮะผมก็จะเอาสัตว์เลี้ยงผมมาใส่นะครับคราวนี้เนี่ยผมจะเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับเบียร์ากนะครับคือนะครับสัตว์เลี้ยงผมนะฮะ นะฮะอฮะเลือกรูปแล้วก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะร้อยเปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะรีเฟชนะครับแป๊หนึ่งนะครับ mm hmm. คือผมขยายแท็บใหญ่ด้วยฮะมันจะช้าหน่อยนะครับเห็นไหมฮะว่าจะมีรูปมาแล้วนะครับเมื่อมัน 100% มันจะมีรูปมาแล้วนะครับตอนเนี้เราสามารถนะครับใส่รูปได้ครั้งละรูปแต่ใส่กี่รูปก็ได้นะครับคุณสามารถโลเททภาพได้นะครับถ้าภาพคุณกลับหัวกลับหางนะครับไม่เป็นตามที่คุณต้องการคุณก็หมุนมันนะครับคุณก็อตมันนะครับแต่ น, นี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอุปกรณ์รที่คุณใช้ด้วยนะครับว่ามันสามารถแบบรองรับการใช้งานงคุณได้แบบเร็วขนาดไหนนะครับโอเคนะฮะเห็นไหมะฮะว่ามันจะบล็อนะครับตามที่คุณต้องการเลยนะฮะ คือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นไรฮะคุณสามารถลบได้อย่างตรงนี้นะครับผมนะผมกดลบเห็นไหมฮะรูปก็หายไปแล้วนะครับพออัปโหลดมานะครับอัปโหลดใหม่ครับหนึ่งนะครับผมอยากจะใส่หลายๆรูปนะฮะผมก็กดอัปโหลดเพิ่มนะครับเห็นไหมฮะว่าผมมีหลายรูปเลยนะครับผมมีหลายตัวนะครับครับนึงไหมฮะบางคนบอกอุ้ยตัวอะไรน่ากลัวจังนะฮะมันคือเบียดดาก้อนไม่ต้องไปกลัวมันนะครับไม่ต้องไปกลัวมันมันเป็นสัตว์ที่น่ารักนะครับอ่าดูนะฮะ ผมก็ถ่ายคอลเลกชันมันไว้นะครับผมก็จะทําเป็นโฟโต้แกลเลอรี่เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับเอ๋เห็นไหมว่าบางทีมันมันมันขึ้นกับความเร็วของของของอินเทอร์เน็ตของคุณหรือว่าขนาดไฟล์รูปภาพด้วยนะครับที่คุณใส่ลงไปนะครับอ่านะฮะผมจะใส่หลายๆรูปหน่อยนะครับนะฮะผมมีหลายตัวครับน่ารักทุกตัวนะครับไม่กัดนะครับน่ารักดีนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เป็นยังไงนะครับเห็นไหมฮะผมใส่กี่ลูกก็ได้นะครับผมต้องการใส่กี่ลูกก็ได้นะครับใส่ได้เรื่อยๆเลยครับอัพโหลดนะครับเลือกฟล์นียผมทําได้แม้กระทั่งเพาะผพันมานะครับในส่วนของนี่ยนี่คือไายพันธุ์นะครับตอนนี้ผมเพอะพันธุ์มานะฮะเดวกตาก้อนจะออกแค่ออกลูกแค่ปีละครั้งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตอนแรกเนี่ยคนไทยไม่สามารถเพาะเองได้นะครับแต่ว่าผมเลี้ยงจนกระทั่งผมสามารถศึกษาจนเพาะมันแบบเป็นตัวเล็กๆได้นะครับตอนนี้ฮะ ว่าจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับไขครับผมหาลูกไม่เจอนะครับนี่อันนี้เป็นตัวเล็กๆของมันแล้วนะครับตอนที่ผมพ้องพันออกมาได้ครับไปดูนะครับ ค, คุณสามารถกดเข้าไปดูรูปของคุณได้นะก็คือคลิกที่รูปเลยมันจะขยายใหญ่แบบนี้คุณนะครับเห็นไหมฮะคุณสามารถไปดูได้นะครับเช่นผมมีฮะกดรูปนี้นไครับมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปใหญ่ให้คุณดูนะครับคุณสามารถก๊อปปี้ภาพได้นะครับคุณสามารถก๊อปปี้ภาพได้นะครับก็เหมือนกับที่คนคุณเวลาเขาเข้ามาดูคอนเทนต์คุณเขาก็จะก๊อปปี้ภาพคุณได้เช่นกันนะครับ พกตัวเล็กๆที่น่ารักมากนะครับตอนที่สมัยมันออกมาจากไข่ใมันนะครับมันก็จะมีไข่แดงติดอองมาจา้องมาด้วยนะครับอ่านะฮะเฮะนี่รคือรูปภาพที่เราอัปโหลดนะครับ เ, เขออัปโหลดให้หมดรั้งหนึ่ น, นะฮะคือช่วงแรกๆเนี่ยคุณอาจจะเฮ้ยทไมมันถึงอัปโหลดทีละหลายๆลูปภาพไม่ได้อันนี้ก็อาจจะต้องแบบเคื่อเอใจกันนิดนึงนะเพราะว่ามันมันมันยังใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวรอเป็นแอปพลิเคชันเมื่อไหร่นะครับคุณจะสามารถอัปโหลดได้เลยนะครับหลายๆ หลายๆหลายๆยูทูบนะครับหลายๆยูทูบสิบอครับอ่าโอเคผมหมดแล้วนะครับจากการอัปโหลดรูปผมไม่ผมไม่อัปโหลดเพิ่มแล้วสมมติผมพอแค่นี้อยากอัปโหลดแค่นี้นะครับคุณสามารถนะครับไปเอาคลิปจาก YouTube มาด้วยก็ได้นะครับอดี๋ยวผมลองเปิด u t u b e ดูบ้างนะครับ myou นะครับ youtube.com นะครับถ้าคุณจะใส่นะครับในส่วนของคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาคลิปที่มันเกี่ยวกับไอตัวมีเดียตรากอนดูนะครับดูนะฮะ นี่ฮนะเบียดดาก้อนนะครับผมเชื่อว่ามันมีหลายคลิปแ น, น่นอนอ่านะฮะเบียดดาก้อนนะครับสมมุติว่าเราเราอยากจะนะฮะเราอยากจะใส่คลิปเข้าไปนะครับใส่คลิปเข้าไปนะครับคุณก็ลองเลือกคลิปดูนะครับอนะสมมุติผมอยากจะใส่นี้ละกันนะครับอันนี้เป็นคลิปนะฮะ คลิปเบียร์ดาก้อนนะครับกับสตีฟเออร์วินซึ่งโดนหานปากระเบนที่ตายไปแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่านะฮะนี่ฮะผมก็สามารถเอาคลิปพวกนี้มาใส่ได้นะครับเวลาผมจะเอามาใส่ผมเอามาใส่ง่ายมากนะครับถ้าคุณทาในคอมพิวเตอร์นะครับถ้าคุณทำคอมพิวเตอร์นะครับคุณก็สามารถ c o อ y url ยตรงนี้มาได้เลยนะฮะ่นะฮะดูนะฮะนี่ฮะข้างบนเนี้ยคือ u ูอของลิงก์นี้นะครับแต่ถ้าคุณทำในมือถือนะครับคุณจะเห็นว่าในมือถือคุณเนียจะมีไอคอนอยู่ไอคอนนึง เป็นไอคอนแบบนี้เห็นไหมฮะไอคอนที่เป็นลูกศรแบบนี้นะครับในมือถือนะครับให้คุณกดเข้าไปนะครับมันจะมีช่องมันจะมีไอคอนแชร์มาให้นะครับซึ่งคุณสามารถนะครับคัดลอกลิงก์ได้มันจะมีโมดูลหนึงที่ชื่อว่าคัดลอกลิงก์หรือคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดนะครับคุณสามารถคัดลอกมาได้นะครับในกรณีนี้ผมขอคัปปี้ URL จากคอมนะครับโอเคนะครับเมื่อคุณได้ URL แล้วคุณทํำไงนะคุณก็กดอันี้นะผมกดมาที่ YouTube ตรงนี้นะครับ นะครับคุณกดไปที่คําว่ายู u ูบนะครเห็นคำว่า youtube ไหฮะจากนั้นคุณกดอัปโหลดครับแล้วก็วางลิงก์นี้ลงไปให้รอให้รอแป๊บหนึ่งนะครับจนจนลิงก์มันขึ้นมานะครับจนคลิปมันขึ้นมาก่อนนะครับจนคลิปขึ้นมาจากนั้นคุณก็กดอัพโหลดตรงนี้นะฮะคือถ้าคือถ้ามันเป็นดำๆอยู่นะฮะคือถ้ามันเป็นดำๆอยู่นะครับคุณก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแปอัพโหลดนะสมมตินะทำไมนะสมมุติว่านะฮะ คือม so ันต้องขึ้นมันต้องขึ้นหน้าแบบนี้เลยคือมันต้องขึ้นแบบเป็นภาพแบบนี้เลยคุณถึงไปกดอัปโหลดได้นะครับพอกดอัปโหลดเสร็จแล้วนะฮะเรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะมาขึ้นนะครับอยู่ที่ข้างล่างตรงนี้ถ้าสมมุติคุณไม่ต้องการนะครับคุณก็ลบออกนะครับทีนี้ให้มาดูนิดนึงนะครับบางคนน่ยนะครับเวลาไปกรอฟ URL มาคุณชอบกรอฟอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยเห็นกรอฟชื่อเรื่องมาเห็นไม่ได้นะฮะหรือนะครับคุณกรอฟมาเสร็จปุ๊บนะฮะคุณอาจจะมีติด หุณอาจจะมีติดอะไรที่มันทําให้ลิงก์ของคุณผิดพลาดนะฮเห็นไหมฮะมันจะเป็นจอดําทันทีหรือว่าบางคนนะล็อกมาเป็นแบบมีภาษาไทยติดมาด้วยเห็นไหมฮะพอเวลาคุณกดอัปโหลดปุ๊บนะฮะลิงก์คุณจะขึ้นแบบนี้เห็นคุณคอยอยู่นะจำเป็นะครับคือลิงก์คุณมันจะผิดพลาดนะฮะมันจะขึ้นแบบผิดพลาดไปเลยนะ มันจะขึ้นจอดําแบบนี้อันนี้คือลิงก์ที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับให้คุณกดลิงก์ไปนะครับแล้วก็ทำลิงก์ให้มันถูกต้องนะครับทำลิงก์ให้มันถูกต้องนะครับคุณก็คัปปี้ลิงก์ที่ถูกต้องมานะครับแล้วก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะต้องขึ้นรูปภาพแบบนี้นะครับคุณถึงจะสามารถกดอัปโหลดตรงนี้แล้วขึ้นมาเป็นคลิปในส่วนของคอนเทนต์ของคุณได้เห็น ไ, ไหมฮะนี่มาแล้วโอเค ค, คุณสามารถอัปโหลดคลิปก็ได้สมมติว่าผมอยากจะใส่คลิปเพิ่มนะครับผมอยากจะใส่คลิปเพิ่มนะฮะผมอยากจะใส่คลิปนี้ก็ได้นะฮะดูนะฮะนะฮะคลินี้น่ารักดีนะฮะนะฮะผมอยากใส่คลิปนี้เพิ่มนะฮะผมก็กดแชร์นะครับ URL นะครับคัดไปมานะครับแล้วก็เอามาสันะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันเป็นการเอามาที่ URL นะครับเราไม่ได้ขโมยคลิปเข้ามานะครับเราเอามาที่ URL เลยเห็นไหมฮะดูนะครับ นี่นี่คือคลิปที่ผมใส่ลงไปนะครับออจากนั้นนะครับเมื่อคุณพึกพอใจกับรูปแลวคลิปคุณแล้วคุณมาใส่เนื้อหาก็ได้นะครับเ<ม>ช่นผมจะใส่แบบนี้ครับนะฮะสมมติผมจะเขียนที วันนี้ผมมีรูปภาพแสดงนี่นะครับผมนั่นคือเจ้าเ i ียด r ่างด้นะฮะคุณอาจจะใส่คัพชั่นนะครับน่ารักนาเช่นนะฮะอาจจะเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับคุณดูนะฮะคุณสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับให้กลายเป็นตัวหนาได้นะครับจากไอคอนที่เป็นตัว B ตรนี้นะครับเห็นฮะตัวหนังสือคุณจะเป็นตัวหนานะครับหรือว่านะครับคุณสามารถนะฮะที่จะทำให้นะครับตัวหนังสือของคุณนะครับเป็นตัวเอียงได้ด้วยนะครับก็คือนี่นะครับ ขีดจนใต้เลย ด, ด้วยนะครับ อ, อย่างในทีนี้ผมขอเป็นตัวหนาก็พอนะครับทีนี้มาดูนิดนึงนะครับ ค, คุณสามารถใส่ลิงก์ได้ด้วยนะฮะจากในจากในนี้นะครับเช่นนะฮะผมอยากจะใส่ขอบคุณที่มาจะขอบคุณที่มาล้กันนะครับขอบคุณที่มาของคลิปนะฮะครับคุณก็เว้นวร์กมาทางนิดนึงนะฮะ ก็เว้นักมนสั ก, ก น, นึงนะครับนะคุณก็ใส่คลิปองไปนะครับเห็นฮะผมก็จะขึ้นมาเป็นลิงก์แบบนี้เลยนะครับเป็นลิงก์เลยคุณสามารถกดลิงก์นี้ได้ด้วยนะฮะตอนที่คุณอัพเดตเสร็จนะครับถ้าสมมติว่านะครับผมถึงพอใจแล้วนะครับเดี๋ยหฮะขออนุญาตนะครับผมจะขอบคุณลิงก์เขาด้วยเนี่ยขอเอาลิง ก, ก์สกิลเออวิสมาอ่กกว่า ที่มาของคลิปนะครับสองคลิปนะครับผมจะใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะผมก็จะเว้นวัดมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คลิปมันทำงานได้อย่างกลอดภันะครับโอเคนะครับทีนี้ฮะเมื่อคุณเมื่อคุณใส่นะครับในเรื่องของแคปชั่นเสร็จแล้วนะครับเนื้อหาคุณเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องกดอัปเดตก่อนเสมอนะครับคุณจาเป็นเลยฮะคุณจำเป็นที่จะต้องกดอัปเดตเลยนะครับกดอัปเดตตรงนี้นะครับเพื่อให้เนื้อหาของคุณนะครับมีการแบบเซฟไว้นะครับกดอัปเดต จากนั้นจะขึ้นนี่ฮะอัปเดตสักเซสบูดี้นะครับกดโอเคนะครับทีนี้ฮะทำยังไงดีเมื่อเราจะเมื่อเราได้คอนเทนต์ของเราแล้วนะครับคอนเทนต์ของเรานะครับคุณสามารถกดวิวได้เลยดูนะฮะกดวิวนะครับปิดูทนะ่อ น, นะนี่คือเห็นไหมฮะ คุณสามารถกดลิงก์ได้นะครับนะฮะคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์คุณเขาก็กดลิงก์ตรงนี้ได้นะมันก็จะเด้งมาที่ YouTube เลยเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับหรือนะครับถ้าคุณทําที่เกี่ยวกับการสมัครนะครับคุณก็สามารถใส่ออโต้ลิงก์คุณเข้ามาตรงนี้ได้นะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็ลิงก์ไลน์องคุณเพื่อให้เขาสามารถกดติดต่อคุณได้เลยจากตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ ในเรื่องของลิงก์นะครับตอนนี้ใส่ได้แล้วนะครับทุกท่านลองทําดูนะครับใครที่ทําไม่ได้นะครับแสดงว่าคุณกาลังทำคุณทำผิดขั้นตอนนะครเห็นไหมครัว่าผมมีการเว้นวักนะครับเว้นวัคลงมา1บรรทัดนะครับเพื่อที่จะใส่ลิงก์แล้วก็เว้นวักอีกหนึ่งบรรทัดเพื่อที่จะใส่ลิงก์ถัดไปนะครับแค่นี้ก็จะสามารถกดลิงก์ได้ครับรูปภาพนะครับเห็นไหมครัว่าคุณจะมีรูปภาพขึ้นมาของยอมันมีเดิมนะรรูปใหญ่จริงๆนะครับเห็นไหมคคุณจะมีรูปภาพขึ้นมานะครับมีแฮมมีเนื้อหาาานนะะคครรรรัับบมีููปปภภพพ รวมถึงแม้กระทั่งมีคลิปเห็นไหมฮะอยู่ข้างล่างกดดูได้จริงครับเห็นฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะอ่ะพอก่อนะครับในส่วนของนะครับการแชร์นะครับไปยังไปยังที่ต่างๆนะครับคุณสามารถแชร์ได้จากัวดูลที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเห็นมฮะมีเฟซบุ o o นะครับมี l ล n e นะครับมี g o o ก l ล Plus นะครับวตอร์นะครับแล้วก็การคัดลอกดิงสมมุติว่านะฮะผมอยากจะแชร์ไปที่เฟ e บุ o กของผมก่อนนะครับผมก็กดที่ Facebook ได้เลยะจากนั้นนะครับมันจะมีไอคอนที่เด้งขึ้นมานะครับแบบนี้เข้าใจฮะไอคอนที่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับคลิก to แชร์นะครับคลิกทูแชร์นะครับคุณก็กดคลิกทูแชร์นะครับเมื่อคุณคลิก to share แล้วนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอีกหนึ่งวิดีโนะครับแล้วให้คุณนะฮะใส่แคปชั่นลงไปนะคุณเห็นไหมว่าคุณสังเกตไหมว่าตรงเนี้ยเวลามันมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีรูปมาแต่พอเวลามันมีหัวข้อมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีรูปไปด้วยแน่น คุณปิดไปก่อนเลยนะครับจากนั้นทําไงดีฮะคุณกดอีกรอบนึงมันจะมีรูปขึ้นมานะคานี้เห็นไหมฮะนี่ผมบอกเทคนิคให้นะครับเมนเทคนิคง่ายๆนะครับทีนี้ฮะในส่วนของนะครับการที่คุณเนี่ยจะโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กนะครับคุณสามารถแชร์ไปบนไทม์ไลน์ของเพื่อนตัวคุณเองนะครับแชร์ในกลุ่มก็ได้นะครับเห็นไหมฮะคุณสามารถแชร์ได้นะครับคุณสามารถแชร์ได้นะครับถ้าสมมติคุณแชร์ไปในกลุ่มนะครับคุณก็สามารถเลือกกลุ่มได้คุณจะแชร์ไปดี่ ค, คุณก็เลือกดูว่ากลุ่มไหนที่เหมอะ ค, คอนเทนต์ของคุณนะครับคุณก็เลือกดูเลยนะฮะอ่ะนี้ผมจะแชร์ไปที่ไทม์ไลน์ผมก่อนนะครับอ่ะนะฮะคุณสามารถแท็เกเพื่อนได้แท็เกเพื่อนได้สมมุติจะแท็กครดีสมมุติมจแท็กนี่ฮะผมจะแท็เกเพื่อน ผ, ผมก็สามารถแท็กได้นะครับจะให้ใครดูนะครับผมสามารถเช็คอินใส่โลเคชันมันก็ได้นะครับเช่นอะไระ น, นี้แหละลุมธ า, านีฮะจังหวัดรถบุรีลมธานีเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาที่นี่ใส่แคปชั่นครับ มาดูรูปสตรีงที่น่ารักของผมดีกว่าะนะวนี้ผมใส่แบบนี้นะครับผมอาจจะใส่แคปชั่นด้วยก็ได้ฮะ น, นะครับอะไรดีนะอะ h a s เบียดด่าก้อนนะฮะเบียดด่าก้อนโอเค ใส่คัดแทงแล้วครับอ่ะจากนั้นทำไงดีครับคุณก็โพสต์ไปที่เฟซบุ o กของคุณนะครับเหมอนกานนะครับผมโพสไปที่เฟซบุ o กของผมแล้วครับอ่ะตรงนี้กดปิดได้เลยเวลาที่คุณกดออกนะครับให้คุณคลิกย้อนหลังไปเลยนะครับย้อนหลังไปเลยนะครับหรือว่ากดไปที่ดัชบอร์ดคุณก็ได้นะครับหรือกด exit ก็ได้นะครับทีนี้ฮะในส่วนของในส่วนของการที่คุณจะแก้ไขคอนเทนต์ของคุณนะครับคุณสามารถเข้ามาแก้ไขได้จากหน้าเพจ อยากแก้ไขใช่ไหมคุณก็กดมาที่เพจครับคุณเห็นไหมฮะว่าคอนเทนต์ของคุณเนี่ยเวลาที่มันโผล่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งไอคอนสีเขียวไอคอนสีฟ้าที่เป็นรูปตาและไอคอนสีแดงนะครับไอคอนสีแดงก็คือลบออกนะครับลบคอนเทนต์นี้ทิ้งนะครับไอคอนสีเขียวนะฮะถ้าคุณกดเข้าไปคุณสามารถเข้ามาแก้ไขแก้ไขได้อัปโหลดรูปเพิ่มได้แก้ไขเนื้อหาได้นะครับแก้ไขเนื้อหาต่างๆได้ที่อยู่ในนี้นะครับทีนี้ฮะ เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วนะครับคุณอย่าลืมกดอัปเดตด้วยนะครับนะมาดูกันก่อนนะครับว่านะครับลูกตาสีฟ้าคือวิวนะครับวิวนะครับถ้าคุณกดต่อไปเห็นไหมว่าตอนนี้จะมี current view คือหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับคือมันยังไม่มีคนดูนะครับอ่ะทีนี้คุณจะทํำยังไงล่ะให้คนให้คนมาดูรูปของคุณนะฮะ content ขคุณนะครับคุณก็นอกจากที่คุณจะแชร์ไปที่ Facebook แล้วนะครับแป๊บนึงนะฮะคุณจะแชร์ไปที่เฟซบุ๊กแล้วมาดูก่อนว่า Facebook ผมนะครับ คอนเทนต์นี้ผมขึ้นมาอานี่เลยขึ้นมาอันแรกเลยนะฮะขึ้นมาอันแรกเลยนะครับเห็นฮะยีขาเห็นฮะถ้าเพื่อนของผมนะครับมีมีใครที่เ้นะฮะใครดีแอดมาปล่อยไว้รอนะเพื่อนเพื่อนของผมมีใครที่เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะนะครับมันคือตัวอะไรอ่ะเขาก็จะกดเข้าไปดูแบบนี้ปึ้งอ่าเมื่อเขากดเข้าไปดูอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะมันก็จะเด้งมาที่คอนเทนต์ผมแบบนี้นะครับเห็นฮะต่อให้เขายังไม่ได้อ่าน ต่อให้เขายังไม่ได้ดูคลิปนะครับหรือยังไม่ได้ดูรูปภาพหรือยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยฮะคุณได้วิวแล้วนะครับคือคุณได้วิวไเรียบร้อยแล้วนะครับุณได้วิวไปแล้วนะฮะอ่ะมาดูโม ด, ดูตัวอื่นก่อนนะครับไลน์นะครับถ้าคุณทำในในในคอนะครับถ้าคุณทำในคอมะะคุณไม่ต้องมากดตรงเนี้ยมันมันมันมันเสียเวลาะะคุณดูนะพอคุณกดแชร์ปุ๊บจะต้องมาล็อกอินอะไรให้มั่วซั่วไปหมด เห็นไหมฮะกว่าจะเข้าได้กว่าจะอะไรได้นะครับไม่ไม่ต้องใช้ตรงนี้นะครับผมแนะนําแบบนี้เลยฮนะสมมติว่าคุณอยากแชร์ไปที่ไลน์ใช่ไหมง่ายสุดคุณดูตรงนี้คุณเห็นหัวข้อตรงนี้หมนี่นี่นีที่มันเป็นลูกโซ่สองตัวนเป็นห่วงสองตัวนี้นะครับทุณกดเลยครับนะมันจะมีบล็อกขึ้นมาบล็อกหนึ่งนะครับเป็นบล็อกสำหรับคัดลอกลิงก์นะครับแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะมันจะมีทั้งหัวเรื่องแล้วก็ลิงก์คุณด้วยนะครับจะมีทั้งหัวเรื่องแล้วก็ลิงก์คุณด้วย ลำนป็นนะครับเปิดอะไรกับเน่นของผมอ่าหน้าใหม่ดูนะนะครับลนนะครับคุณมีผมเชื่อว่าทุกคนนะครับถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นในส่วนของ อคอมพิวเตอร์นะครับบางครั้งคุณก็จะล็อกอินนะครับด้วยด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณหรือ p ีซของคุณนะครับหรือ MacBook อะไรก็ตามแต่นะครับที่คุณใช้งานอยู่นะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะแป๊บนึงนะครับอ่ะนะฮะเอาใหม่นะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยนะครับ คือนะครับคุณสามารถ Copy Link ิได้จากตรงนี้เลยนะครับไอคอนที่เป็นเหมือนรูปโซ่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นวงตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะมีไอคอนที่ขึ้นมาเลยว่า Copy Link นะครับคุณสามารถ Copy ตรงนี้ออกไปนะครับจากนั้นคุณไม่ต้องไปกดที่ไลน์ถ้าคุณล็อกอินพีอยู่คุณ เปิดมาที่โปรแกรมไลน์คุณเลยผมแนะนํานะครับว่าให้คุณโพสต์ไปยังไทม์ไลน์ดีกว่านะครับทําไลน์อยู่ตรงนี้นะเป็นรูปเหมือนนาฬิกานะฮะเป็นรูปเหมือนนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะว่าในไทม์ไลน์ของคุณเนี่ยนะครับในไทม์ไลน์ของคุณเนี่ยจะมีเพื่อนคุณนะครับที่เขาใช้งานอยู่แล้วที่เขาแบบเป็นเพื่อนอคุณอยู่แล้วเนี่ยเขาโพสต์เรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆนะครับผมแนะนําว่าให้คุณมาโพสต์ตรงนี้ดีกว่าครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้รูปมันขึ้นมาก่อนนะครับ ลองโพสัวนะครับนนยังไม่ขึ้นนะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมฮะมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับคือคือคุณต้องดูด้วยว่าลูกมันมาหรือเปล่านะครับดังนั้นก็คือว่านะผมแนะนำความเป็น professional ให้คุณลบลิงก์หรอกนะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นเพิ่มเข้าไปด้วยก็ดีฮนะเช่นนะฮะสถานีที่น่ารักของผมนะครับทุกท่านสามารถเปิดดูความว้วนท้วนของมันได้นะ ีภาษาผบืชนะฮะท่านสามารถคลิกเข้าไปชมหน้าตาน่ารักนะที่วนๆนะวนอย่างไงวนๆเขอดูวยังดี่นีวนๆผมันได้ แล้วผมจะเขียนแคปชั่นอีกอย่างหนึ่งที่ที่แบบว่าคนน่ยอยากจะดูะนะฮะนี่เลยฮะผมจะใส่แบบนี้ฮ ะ, นะฮะไม่ขอบคุณนะครับนี่มีคลิปนี่คุณดูนะพอเราเขียนว่ามีคลิปอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าคือมันจะแบบบอกให้บอก คือมันจะ บ, บอกบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรสักอยาก่างอยู่้นะคลิกเนี่ยเห็นไหมฮะก็โพสเออนี่ฮะเห็นไหมฮะมาแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่ไทม์ไลน์ของผมนี่คือที่ไทม์ไลน์นะฮะไม่ใช่กุก๊ปไลน์นะครับนี่นี่คือที่ไทม์ไลน์จากนั้นคุณสามารถนะครับในในในส่วนขอ ง, ของการผมแนะนำนะว่าเวลาที่เราเวลาที่เรา โพสลงมาในล ne เนี่ยผมไม่อยากให้คุณเนี่ยมาโพสอยู่ในทูบ l ลน์ที่เป็นรูบของการทางานนะครับเพราะว่ามันจะลกนะมันจะเละนะฮะแล้วก็คนมันไม่เยอะด้วยครับวิวมันไม่เกิดจากวิวธรรมชาติะเพราะฉะนั้นฮะผมอยากให้คุณมาโพสในไทม์ไลน์ดีกว่านะครับไทม์ไลน์คนเยอะกว่านะครับอนเห็นได้เยอะกว่านะครับเขามีโอกาสที่จะคลิกเข้าไปดูกับนี้เห็นมฮะมันก็จะเด้งมาที่คอนเทนต์ของคุณเหมือนเดิมนะครับคทน์ของคุณเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนาว่าให้โพสในไทม์ไลน์นะครับในไทม์ไลน์ คุณมีคุณมีลิงก์แล้วใช่ไหมคุณอยากจะเอาไปโพสต์ได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมฮะผมแนะนำอีกช่องทางหนึ่งนะครับในเรื่องของ Google Plus นะครับ Google Plus เนี่ยคุณสามารถนะฮะดวยไอคอนที่3คือ Google Plus นะครับ Google Plus เนี่ยนะครับคุณสามารถนะฮะแชร์ไปยังสถานที่ที่เป็นกลุ่มชุมชนของคุณได้นะครับ Google Plus น่าสนใจมากผมอยากให้คุณดู Google Plus รอนเดี๋ยวเราไปทความรู้จัก Google Plus กันอีใน Google Plus นะครับ C O O นะ ถ้าคุณอยากจะใช้งาน Google Plus คุณต้องมีอีเมลที่เป็น at gmail.com ก่อนเพราะฉะนั้นไปสมัคร Gmail ให้เรียบร้อยนะฮะนะครับ Google Plus นะฮะถ้าใครรู้ถ้าใครไม่รู้เข้ายัางไงผมแนะนำว่าเขา้งาง่ายๆฮ ะ, ค, ะคุณเปิด google.co.th ขึ้นมาก่อนให้เป็นหน้านี้นะครับให้เป็นหน้านี้ก่อนนะครับจากนั้นฮะคะุณก็พิมพ์เลยะครับ google นะฮะ google น google ครับ google บว นี่คือ Google p ัส s หลังจากนั้นนะกดนี่เลยฮนะ Google Plus นี่ครับนี่คือหน้า Google Plus ขนะ ค, ครับคุณสามารถใส่โปรไฟล์ได้นะครับโปรไฟล์มันจะติดอยู่กับอ e ีเมลอยู่แล้วนะครับทีนี้ฮนะคุณมาดูนิด น, นึงใน Google Plus มีอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะย่อให้มันกลายเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือนะนีฮนะ ใน g o o ก l e พลัสมีอะไรครับข้างหน้าเนี้ยคือผู้คนที่คุณสามารถไปฟอลโล่เขาได้เขาจะมีลักษณะของคล้ายๆกับกรีนสตาร์แกรมผสมกับ f a c e b o o นะครับเขาจะเป็นแบบนั้นนะฮะสำหรับาาร Google Plus นะฮะคือคุณสามารถไปติดตามฟอลโล่คนก็ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าพวกพวกนี้ไม่ไม่ใช่ธาก็จที่ผมจะพาทำนะฮะผมอยากจะพาทำตรงนี้มากกว่านะครับคุณดูนิดนึงนะ ถ้าคุณกดมาที่แฮมเบอร์เกอร์ของ g o เ g l e p ลนะครับถ้าในคอมคุณจะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะฮะเห็นฮะคุณจะเห็นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของกลุนครับถ้าคุณนะฮะทในมือถืออ่าคุณก็กดแฮมเบอร์เกอร์ออกมาเห็นไหฮะว่ามันจะมีตั้งแต่คอลเลกชันนะครับคอลเลกชันนะครับว่าแบบมีใครบ้างที่เราควรจะแบบติดตามอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยแนะนำกลุ่มแ a ตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะแนะนาให้คุณใช้งานก็คือนี่ต่างหากชุมชนนะครับ ชุมชนของฟกอพัทเนี่ยเป็นชุมชนที่ผมต้มองบอกก่อนว่ามีคนเยอะมากในแต่ละชุมชนเช่นดูนะฮะท่องเที่ยวตกปลาครับมีคนหมื่นกว่ค น, นครับคนรักดัสตินบีเบอร์คุณดูดิคนรักัสตินบีเบอร์มี 369,000 หนพัวค น, นครับ<ม>โคตรไอเดียนโคไอเดียคุณมีไอเดียอะไรดีๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของคอนเทนต์คุณคุณสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคือผมอยากให้คุณดูแบบนี้ คุณเห็นไหมว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีมันมันจะเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่แล้วนะฮะอย่างเนี้ยนะครับผมก็ไปขอเข้าและกลุ่มท่องเที่ยวตกปลานะครับผมทําอะไรฮะในกลุ่มนี้ทําอะไรเขาก็ตกปลากันเห็นไหมเขาก็โพสต์เกี่ยวกับตกปลานะครับเขาก็โพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับตกปลานะครับโพอันนี้มีจับตัวเหี่ยด้วยนะฮะตัวเหี่ยนะฮะทีนี้ฮะคุณเห็นไหมว่าพวกเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นกลุ่มที่เราสามารถเอาคอนเทนต์ของเราที่สร้างเกี่ยวกับตกปลานะครับมาโพสต์ตรงนี้ได้ครับอย่างเช่นตัวผมเองนะครับนะ หากะนะครับผมจําได้ว่าผมโพส์เกี่ยวกับคลิปของปลาผมไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะลงไปอยู่ข้างล่างล่างหน่อยนะครับก็อย่างนี้ก็ได้ฮะดูนะฮะผมสร้างคอนเทนต์ทีเกี่ยวกับการตกปลาไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่านะครับะะผมสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการตกปลาไปนะครับดูนะฮะนี่นะครับทีนะะี้ผมไปออกรอบมานี่ก็ดีมิดคอไซส์สวยเลยครับ อย่างเงี้ยผมก็ถ่ายรูปกับที่ผมไปตกปลามานะครับเห็นฮะอย่างเงี้ยจากนั้นผมทำไงครับผมก็ copy link สิครับ copy link ครับนี่ครับนี่ฮะผมก็ copy link ตรงนี้เลยครับจากนั้นผมไปผมไปไหนฮะผมก็ไปที่ท่องเที่ยวตกปลานะครับกดที่ไอคอนนี้นะครับเห็นฮะคุณจะมีไอคอนที่เป็นเหมือนรูป ดินสออยู ite, ่นะครับหรือว่านะครับอยากที่จะนะฮะแบบนี้นะฮะอยากที่จะเขียนเลยนะฮะเแชร์อะไรก็ได้เนี่ยเห็นไหมฮะเห็นแชร์อะไรก็ได้ในกลุ่มนี้นะครับผมก็โพสเกี่ยวับวันนี้แหละครับเห็นไฮะรูปผมมาแล้วนะครับในก o o ก l e พลัสนะครับคุณสามารถเปลี่ยนรูปได้ด้วยดูนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับแบบนี้ฮะเห็นไหฮะครับเพราะฉะนั้น ผ ม, ผมใส่รูปไหนก็ได้นะครับผมใส่รูปไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวนะจะลองทำใหม่นะครับยงเลิฟก่อนกินก่อนนะแชร์มันเห็นไหมฮะมีสามรูปนะครับผมใส่แคปชั่นเพิ่มนิดเนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นมืออาชีพมากขึ้นโดยการลบลิงก์นี้ออกไปนะครับไปออกรอบมากก็ดีมิดคอไซส์สวยเลยนะครับผมก็บอกว่ามีกรอ อาวุธของผมนะฮะปลายอยู่ด้านในนะครับคลิ ก, กโโที่หัวข้อได้เลยครับเป็นคอนเทนต์ของผมเองอะครับนี้สมสมตินะ ผมก็บอกไว้หน่อยนะครับคือบางครั้งเนี่ยคนเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยเพจคิวคืออะไรนะฮะหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องคลิกไปที่ไหนนะครับผมก็บอกเลยคลิกที่หัวข้อได้เลยครับเป็นคอนเทนต์ของผมเองนะฮะซึ่งตรงเนี้ยบอกบอกเลยว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มีคนนะเว้ยไม่ใช่ไวรัตนะเว้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะเป็นการใช้งานนะครับที่ที่ที่ดูแบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับในส่วนของการอาจจะใส่เนื้องานลงไปสักนิดนึงนะครับนอาจากนั้นผมทำไงผมก็กดโพสสิครับนะครับเรื่องบนมูครับก็ตกปลานะครับบีชิงส นี่คือเห็นไหมฮะคอนเทนต์ของผมนะครับก็มันจะมาอยู่ใน Google ็พลแล้วนะครับหมื่นกว่าคนฮะเขาก็จะเห็นคอนเทนต์ของผมนะครับเขาสามารถกดเข้าไปดูได้อยู่นะฮะนะฮะเห็นฮะผมจะกดนี่เพิ่เข้ามาที่คอนเทนต์ผมแล้วเห็นไหมครับแบบนี้นะครับนี่คือคอนเทนต์ของผมนะครับที่ผมสร้างไว้นะครับอ่ะทีนี้จบในเรื่องของกลุ่มก็พลนะฮะผมอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับในกลุ่มหนึ่งที่ผม ให้ความสนใจที่ผมจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ผมสร้างเมื่อกี้นี้ในตัวของเ e a ยร d r าก o n นะฮะคือกลุ่มนี้ตะางนะครับเป็ดตั๊บหนึ่งนะฮะชุมชนนะครับเดี๋ยวนะสัตว์เลี้ยงแสนรักผมไปไหนเนี้ยนะผมเสิร์ชเลยดีกว่านะครับุณสามารถเสิร์ชหาชุมชนก็ได้นะครับที่แบบอยากจะสนใจนะฮะในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับนะฮะ a อผมเสิร์ชคาว่า Animal ลกันแอนอลเลิรับอร์ดูนะ เห็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม Animal Lover มีคนกี่คนนะ 700,000 คนนะ่ะคุณดูดินะฮะหรือแม้กระทั่งคุณดูนี่ฮะกลุ่มกลุ่มที่เป็นชุมชนเลยจริงๆฮะคุณดูก่อนนะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นมันมันเป็นคนนะครับแต่อันเนี้ยเป็นชุมชนดูนะฮะนะผมจะขอเข้าร่วมชุมชนเนี้ย ชุมชน Animal l เลอร์คุณดูนะมีคนกี่คน1 7 4 3ง8้คนและเป็นสาธารณะด้วยนะฮะแสดงว่านในกลุ่มนี้มาดูก่อนว่าก่อนที่คุณจะขอเข้าร่วมมีอะไรบ้างเขาแชร์เกี่ยวกับอะไรนะครับ <S <S เขาก็แชร์เกี่ยวกับรูปนกนะครับรูปสัตว์เลี้ยงนะครับเห็นไหมฮะแชร์คลิปนะครับรูปหมานะฮะดูนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมีพวกนี้นะครับรูปแมวนะฮนะอ่าผมมาผมมาแตกต่างอ่ะผมขอเข้าร่วมก่อนขอเข้าร่วมปึ๊ก เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วคุณสามารถโพสได้ทันทีนะในกลุ่มสาธาะนะนะครับผมทําไงดีครับกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มรักษัตใช่ไหมอา่าผมก็จะไปเลือกก่อนจะไปเลือกผมมาก่อนนะฮะเอาละครับผมก็จะไปเลือกคอนเทนต์นะครับที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสัตว์รักของผมนี่เห็นไหมฮะผมกดเข้าไปเลยครับงนะานนี้อะไรของนี้ลาผมเข้าไปเลือกคอนเทนต์นี้มาคู่หนึ่งนะครับ มาแล้วนะครับนี่คือโฟโต้แกลเลอรี่นะครับผมทำไงดีครับผมก็ไปคัดลอกลิงค์นะครับคกลิงค์มานะครับจากนั้นผมก็เพสลงไปเลยครับรอแป๊บนึงให้รูปขึ้นก่อนนะครับวุ้ยนี่ฮะรูปขึ้นมาแล้วนะครับคุณจะเลื่อนรูปหน่อยก็ได้นะฮะเพื่อป้องกันความน่าเบื่อของมันนะครับไม่อยากให้รูปมันซ้ำนะฮะนี่ฮะฮะ สามารถเลือกกี่รูปก็ได้คือเลื่อนไปเท่าที่รูปเรามีนะครับผมก็จะใช้รูปนี้แล้วกันนะครับใช้รูปนี้นะครับจากนั้นนะเพื่อความเป็นมืออาชีพเหมือนเดิมผมก็เน้นย้ำให้ลบดิงนี้ออกนะฮะสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของผมนะครับ อ, อ่าจจะใส่แคปชั่นที่เป็นภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะว่ามีชาวต่างชาตินะครับ this is นะครับ this is my bear bear Be เขียนยังไงวะนะฮะ b e, e R a นะครับดราก้อนนะครับเขียนถูกไหมเนี่ยอถูกแล้วดราก้อนนะครับ This my best dragon นะครับก็คือใส่ใส่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับคุณสามารถเข้าไปดูรูปภาน่ารักน่ารักของเจ้าเบียสดราก้อนนี้ได้ แค่คลิกที่หัว ข, ข้ อ, อนะครับแล้วผมก็่เข้าไปอีกถ้าอย้ if you นะ if you want to see any feature เอ่อใช้คำว่าอะไรดีนี่ดีกว่านะ ไม่ต้องเป็นแบบพีซอะไรนะ p l e พีซคลิกอะไรคลิกเลยนะฮะไม่ต้อง please นะครับคลิก in this content ฮะคลิก s content นะครับจึ๊บจึ๊บนี่ใส่แบบนี้ไปด้วยนะฮะเพื่อเพื่อว่าแบบเอ้มาคลิกดี ก, กว่าอะไรประมาณนี้นะฮะขอบคุณครับนะฮะอับ พีดอินดิสคอนนะครับก็ขอบเขาไปหน่อยขอบคุณครับนะฮะ thank you thank นะครับ thank you นะฮะบด้วยนะฮะเรื่องกัรจบนะครับจุดนะนะฮะจากนั้นก็โพสครับโพสนะครับโพสได้เลยนะฮะจากนั้นเห็นไหมฮะคิดผมมันก็จะมาอยู่นี่แล้วนะครับนะฮะคอนเทนต์ผมก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะ พอสมมุติว่ามันคือตัวอะไรสมมุติฝรั่งมันอ่านอีพีวันทูซีแอนด์อินทิเจ e ร์คลิก this content นะครับปึ้งเห็นไหมฮะเด้งเข้ามาที่เบ w ร์ไวเ c o m เพคิวคิวดอทคมนะครับเห็นไหมครับนีฮะเขาก็มาดูรูปได้นะฮะเขาก็จะมาดูรูปผมได้นะครั บ, รรบทีนี้มันมันอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอไหมครับผมก็แนะนำว่าถ้าคุณถ้าคุณเจาะกลุ่ม Marketing ที่แบบ เขาเาเป็นทั้งชาวต่างชาติด้วยนีผมก็แนะนำว่าคุณก็ควรเขียนภาษาอังกฤษองไปด้วยก็ได้นะครับหรือเขียนไทยคำอังกฤษคาก็ได้นะครับเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้มาดูนิดหนึ่งนะครับในส่วนของการใช้กรุ๊ปพวกนี้ผมแนะนำว่านะครับให้ให้คุณ ให้คุณลองเข้าไปสารความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ด้วยเช่นคุณอาจจะมาคิดโหวตให้เขานะครับมาคิดโหวตให้เขานะครับหรือว่าคุณอาจจะมาแบบคอมเมนต์รูปของเขาก็ได้นะครับหรือว่าคุณอาจจะแชร์เขาไปก็ได้เห็นไหมฮะเขาจะมีการแชร์อยู่นะครับคือถ้าเขาเหล่านี้มีการสนใจเขาก็อยากจะแชร์เลยนะครับเขาก็อยากจะแชร์ไปตามที่ต่างๆเขาได้เลยนะครับก็าจะแชร์ไปอย่างเฟซบุ๊กเขาก็ได้เห็นไหมฮะเขาจะแชร์ไปที่กูเกิพลสของตัวเขาเองก็ได้หรือในทวิตเตอ์ของเขาซึ่งในเงผมเชื่อว่าเดี๋ยวคิ้กก็จะะมมาตรรงนีหลับ ทีนี้นะครับคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับมาดูนิดหนึ่งนะครับมันจะมีคอนเทนต์นะครับที่สามารถอ ะ, อะไรนะคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับมันไม่ค่อยมีใครเปิดเลยฮ ะ, ะมันไม่กดบวกกันอย่างเดียวนะครับนีน น, น, น, อ น, น, นีอย่างนนี้ฮะคุณคุณเห็นไห้ว่ามันจะมีเคไืหมายที่มันเป็นเกี่ยวกับคุณที่อยู่นะครับคุณก็มาโพสให้เขาได้อะไรน ะ, ะอ่า มันก็เรื่องที่เราเนี่ยมั l ก็โพสนะคคือชมเขาเติมความสมานในเขาได้นะครับคนเหล่านี้นะครับเพื่อที่ให้เขาแบบคือพอเขาเห็นคุณโพสนะเขาก็อาจจะรากดบในคุณกดดูคอนเทนต์คุณนะครับแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็นะฮะในส่วนของการใช้งานต่างๆผมเชื่อว่าทุกคนใช้งานง่ายนะครับนี่คุณมาดูนิดหนึ่งนะครับวิสเตอร์ผมผมไม่ได้ใช้ทวิสเตอร์นะครับผมไม่ได้ใช้วิสเตอร์คุณสามารถเอาลิงก์ตรงนี้นะครับโมดูลนี้เอาลิงก์นี้ไปแปะได้ทุกที่ที่คุณอยากจะแปะนะครับหมายความว่านะครับถ้าผมอยากจะแปะใน ในในกลุ่มนะครับในกลุ่มต่างๆเช่นนะผมมีกลุ่มนะครับกลุ่มในเฟซบุ o กเนี่ยผมมีกลุ่มใน f a c e b o o เนี่ยนะครับเช่นนะฮะกลุ่มนะออนไลน์กลุ่มคือเอาเอาที่มันเกี่ยวกัคุูอาจจะไปเป็นกลุ่มอะไรดีเอ็กซ์เดี๋ยวผมลองหาหรูก่อนเอ็กโซติกเอสมีเอ็กโซติกเอีแม้ที่มันเป็นกลุ่มนเป็นกลุ่มโยนะมีเยอเลยนะเอ็กโซติกเป็นกลุ่ม อุ้มเลี้ยงอีโกนานะครับและสัตว์เล็บทายเอ็กซ์ติกเพชคุณเห็นไหมมีคนอยู่ประมาณ 6,000 นาคนนะครับหรือนะฮะมีคนโดนตังไหมครับมีคนโดนตังนะฮะปิดการขายออนไลน์นะครับเออเห็นไหมฮะ คนเลี้ยงกีกาหน้าและสัตว์เลี้ยงโอซิ่นเอ็กคเเนะี่ยคุณลองเข้ามาดูหวันกลุ่มนี้นะครับเขาต้องเกี่ยวกับพวกนี้แหละคนะ่คุณก็ทำไงฮะคุณก็มาขอร่วมกลุ่มนะซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีคนที่ผมรู้จักกับหลายคนด้วยนะครับเพราะว่าผมไปอยู่ในวงการ E ค เ, เนะครับทีนี้ฮนะคุณก็กดเข้าไปขอร่วมกลุ่มเ้านะครับคือถ้านะครับเอ่อ แอดมินของกลุ่มนะครับเขาอนุมัติให้คุณนะครับคุณก็สามารถไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้คุณก็เอาคอนเทนต์ของคุณเนี่ยนะไปโพสต์นะครับแล้วก็ทำเหมือนที่ผมบอกก็คือในเรื่องของความที่แบบว่าคุณมีการเขียนดีเทลต่างๆนะครับเพื่อให้เขาไม่คิดว่าไอ้เพจคิวิลมันคือไวรัสนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยแชร์ไปเลยอ่ะพอแชร์ไปเลยแล้วแบบผมนั่งอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยฮะดูนะอันนี้เป็นเป็นเป็นกลุ่มเพจคิวิลนะคุณแชร์ไปเลยแบบเนี้ยนะคุณดูนะเนี่ยคุณแชร์ไปเลยแบบเนี้ยเด ใช้มันมีรูปภาพไปด้วยนะคะบไปผมจะใช้ใมันเป็นรูปภาพไปด้วยนะฮนะ่ อ, อาสีเ ฟ, ฟมสมีโดมันสมมผมจะใช้ใมันมีรูปภาพไปด้วยแล้วกันนะสมมติแบบนี้คุณดูนะในกลุ๊ปเนี่ยนะครับคุณสามารถเลื่อนภาพได้ด้วยนะเห็นไหมฮะ เดพาไปด้วยนะสมมุติผมไปแชร์ไปแบบนี้คุณลองนึกภาพดิสัตว์เลี้ยงนี่นะผมแถมมีลิงก์นี้ให้ด้วยพอเวลาคุณกดไปแบบนี้คุณดูนะเน่าเลยให้เป็นผู้เรียนรู้เนี่ยนะฮะคือบางทีคุณไม่ได้เขียนแคทชั่นอะไรลงไปเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นคนในกลุ่มเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยไวรัสหรือเปล่าว่ามันมีลิงก์อะไรให้กดด้วยอะไรเงี้ย อย่างที่ผมบอกเพิ่มความเป็นมืออาชีพนะครับในการที่จะโพสนะฮะคุณลบลิงก์ออกนะครับแล้วก็นะครับให้เขียนแคปชั่นลงไปนะครับที่เป็นแคปชั่นวกบอกถึงการใช้งานของคุณนะครับคุณไม่ต้องไปกังวลนะฮะแล้วก็นะครับในส่วนของนะฮะในในการทำงานเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีไอเดียดีๆตเมือนะครับพื้นที่ต่างๆรุปต่างๆหรือแม้กระทั่งแฟนเพจนะครับสมมติว่าผมมีแฟนเพจนะแฟนเพจคือคืออ่าน แฟนเพจคุณก็สามารถเอาลิงก์เมื่อกี้นะฮะไปแปะู่ในแฟนเพจขคุณได้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ทำไปแล้วนะครับว่าคุณจะขายของนะครับไม่ว่าคุณจะโพสเกี่ยวกับไอเดียอะไรก็ตามแต่นะครับคุณสามารถเอา คอนเทนต์พวกนี้นะครับไปแปะในแฟนเพจคุณได้นะครับโอเคไหมใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานง่ายๆนะครับโอเคนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับก็คงเป็นประโยชน์นะครับในการทํางานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาลงยูทูบไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างคอนเทนต์ไว้ให้นะครับในส่วนของการทํางานนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ